ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นสตะปะพระบุพพิกขาและบุพพิกขาวันนาพระอมาราภิรุจิตะอมโรโกิดวัดบ ร, รมนิวารเจนาต่อไปจะเป็นการแสดงเรื่องของสีมาโดยยอ่อสีมาก็หมายถึงเขตที่จะกระทำสังกรรมของพระภิสุ ผู้มีสังวาดเสมอกันจัดแสดงในสีมาโดยย่ออุโบสถและปวารณาและสังฆกรรมทั้งปวงต้องทำในภายในสีมาพราะองค์ทรงอนุญาตสีมาไว้ก็เพื่อที่จะให้รู้ที่ควรเป็นสามะคีด้วยคำว่าอนุชานามิพิกเวก็ความละสีมังสัมมั น, นิตุงก็ความละทารยามิดังนี้ ก็แลสีมานั้นมีสองอย่างก็คือพัทะสีมาอย่างหนึ่งอภัตะสีมาอย่างหนึ่งสีมาที่สงผูกนิมิต ด, ด้วยนิมิตสมบัติให้พ้นวิบัติสิบเอ็ดประการประกอบด้วยสมบัติสามชื่อว่าพัทะสีมาก็คือผูกด้วยกรรมวาจาะนะเรียกว่าพัทธสีมาสีมาวิบัติสิบเอ็ดอย่างนั้นก็คือหนึ่งสีมาเล็กนักไม่พอพิจุยี่สิบรูปนั่งได้สองใหญ่นัก เกินสามยอดขึ้นไปแม้สักเส้นผมเดียวสาสีมานิมิตไม่ต่อกันคือทักนิมิตเดิมแล้วก็ไม่กลับมาทักนิมิตเดิมอีกหรือเอาของไม่ควรเป็นนิมิตได้สิ่งใดสิ่งหนึ่งมาเป็นนิมิตในระหว่างสี่เอาเงาภูเขาเป็นต้นเป็นนิมิตห้าไม่มีนิมิตเลยหกทักนิมิตแล้วยืนนอกนิมิตแล้วก็สมมุติเจ็ดสมมุติในแม่น้ำแปดในทะเล เกในชาติตาสิบสมมุติคาสีมาเก่าแห่งพิจุอื่นสิบเอ็ดสมุติสีมาทับสีมาเก่าแห่งพิจุอื่นดังนี้ชื่อว่าสีมาวิบัติเด็ดอาการเนี้่นะไปทําเข้าก็เรียกว่าสีมาวิบัติการสมมุติสีมาใหญ่นักก็ดีหรือว่าสีมาไปคาาเกี่ยวสีมาของพิจุอื่นหรือว่าไปทับสีมาเก่าแห่งพิจุอื่นก็ดีสามอาการเนี่นะถ้าไปทําเข้าต้องอวัตทุกก สมมติสีมาใหญ่เกินไปหรือว่าคาบเกลียวหรือว่าทับสีมานเป็นทุกข์กฏสีมาเก่าเป็นธรรมสีมาใหม่ไม่เป็นธรรมเมื่อจะสมมติสีมาใกล้กันพึงตั้งสีมันตริกก็คือที่เป็นระหว่างแดนลงไว้ก่อนจึงสมมติสีมันตริกก็หมายถึงว่าระหว่างสีมานี่ยแหละช่องว่างระหว่างสีมานี่ควรจะต้องทําท่านก็แสดงไว้หลายนัยยะคืบนึงก็ได้ชอกหนึ่งก็ได้ไดท่านก็บอกว่าแค่สี่นิ้ว ส่วนสมบัติสามอย่างนั้นก็คือนิมิตสมบัติอย่างหนึง่งปริัศสมบัติอย่างหนึง่งตามมาวจายสมบัติอย่างหนึง่งนิมิตเครื่องหมายที่จะทําเป็นเขตของสีมาเนี่ยนะนิมิตจะมีแปดอย่างด้วยกันก็คืออย่างที่หนึ่งปปปะโตภูเขาโตเท่าช้างขึ้นไปถึงจะเป็นนิมิตปปปะตะนิมิตได่างานที่สองกับปาราโนก้อนหินหินเท่าก้อนน้ําอ้อยหนัก ส2มสิสองปะละขึ้นไปจึงจะทาเป็นป่าสานาระนิมิตได้ว่า น, นางหมายถึงหมู่ไม้ที่มีแก่นข้างในหมายถึงป่าไม้รุกโขชาตต้นไม้ที่มีแก่นข้างในที่เป็นอยู่แม้ปลูกในขณะนั้นก็ใช้ได้เหมือนกันลมต้นเทา่ากับเด็กจานสูงแปดนิ้วขึ้นไปจึงสามารถพิจารณาเอามาทำเป็นรุกขะนิมิตได้ มัคโคก็คือทางแข่งหรือว่าทางเกวียนวามิโกคือจอมปลวกนาทีคือแม่น้ําดังจะกล่าวข้างหน้าแล้วก็อุตกลางน้ําอันอยู่ในบอ่อเป็นต้นที่ไม่ไหลจะเป็นนทีนี่ต้องน้ําไหลกับอุตกลางต้องไม่ไหลแต่สิ่งนี้สิ่งใดสิ่งหนึ่งเอาเป็นนิมิตไม่เอาของอื่นเป็นนิมิตทักในทิศนั้นนั้นนี้ชื่อว่านิมิตสมบัติ โดยอย่างตามภิกตุสีรูปประชุมกันภิกตุนอกนั้นอยู่ในคามาเขตนั้นเท่าไรไม่มาเข้าในหัตถบาทให้นําฉันะมาหรือให้เข้าในพัทถิสีมาแห่งปอนเสียหรือให้ลงเทียในแม่น้ําหรือว่าในทะเลในชาติตะแล้วสมมติกันชื่อว่าปาริสสะสมบัติภิกตุผู้ชราตัวสมมุติด้วยยติทุติยกรรมวาจาอันบริสุทธิ์ไม่เปลี่ยนเิษหินเป็นชนิดเป็นต้นหมายถึงว่า ความฉาดในอัก ษ, ษรอักษระโกสละหรือพยัญชนะโกสละมีความพร้อมมูลไม่วิบัติดังนี้ชื่อว่ากรรมวาจาสมบัติสมบัติสามอย่างมีมิตสมบัติปริสัทสมบัติแล้วก็กรรมวาจาสมบัติอันหนึ่งพระตรีมาโดยบาลีเป็นสองก็คือสมารสังวาตรีมาอย่างหนึ่งแล้วก็อวิปปวาตรีมาอย่างหนึ่ง สมานสังวาสสีมาก็คือสีมาที่มีสังวาสเสมอกันเป็นแดงสำหรบับทำสังกกรรมได้แห่งหนึง่งส่วนอวิปภาวาสีมาก็ได้แก่สีมาที่สงสมุติทับสมานสังวาสสีมานั้นลงนตรวจทับนะด้วยยติทุติยกรรมวาจาอื่นอีกด้วยยติทุติยกรรมวาจาอื่นอีกเพื่อจะได้อยู่ปราศจากไตรจีวรได้ด้วยคือเป็นวิธีกรรมนในการอยู่ปราจากไตรจีวรแล้วก็ทําให้สมานสีมาเนี่ยมั่นคง ก็เป็นสองด้วยกันแต่ถ้าว่าโดยอัตรกระถาก็เพิ่มเป็นสามอัตรกระถาเพิ่มหมายอันนึงเรียกว่าขันทสีมาเพิ่มขันธสีมาเข้าด้วยขัน้สีมานั้นก็คือสีมาเล็กถีมาเล็กนี่ก็หมายถึงก็สวดสมาสวธิมาในแหละแต่ว่าจาัดไว้แผนหนึ่งเพื่อจะได้ทําคําได้ง่ายสมมุติไว้ในระหว่างแห่งพัทศีมาใหญ่นั้นเพื่อจะทําสังกรรมง่ายไม่รังเกียดด้วยพิกษุอืน่นซึ่งจะเข้ามาในสีมานั้น ก็ทำสีมาเล็กๆแห่งหนึ่งสองแห่งสาแห่งได้ทั้งนั้นเลยก็อยู่ในมหาสีมาเพื่อจะทำกรรมได้ง่ายก็แล้วอภัตตสีมานั้นว่าสีมาสมไม่ได้ผูกอภัตตสีมานี้หมายถึงว่าสีมาที่สมไม่ได้ผูกมีสามอย่างเหมือนกันก็คือขามสีมาอย่างหนึ่งสัตตพันตรสีมาอย่างหนึ่งแล้วก็ปูดักกูกะเขตปสีมาอย่างหนึ่งอภัตตสีมานี้หมายถึงสีมาที่ผูกด้วยกรรมวาจามีสามอย่าง สั่งว่าสีมาอาวิปว่าสีมาแล้วก็ขันทศสีมาอภัสสีมาก็สีมาที่ไม่ได้ผูกในสามอย่างเหมือนกันคาเมสีมาสัตตพันจรสีมาแล้วก็อุดะกุกะเถปะสีมาคาเมสีมาก็คือสีมาบ้านหรือว่านิคมสีมาก็จัดว่าเป็นคาเมสีมานั่นแหละสัตตพันจรสีมาหมายถึงสีมาเจ็ดอพันดรก็หมายถึงสีมาป่าอุดะกุกะเถปสีมาก็หมายถึงสีมาน้ําจําง่ายๆนะ สีมาบ้าสีมาป่าสีมาน้ำอันนี้เรียกว่าอาภัตตสีมาค า, าเมเขตอันหนึ่งกว้างใหญ่เท่าไรก็ตามชื่อว่าคาเมาสีมาโดยบาลีว่าอสัมมตายภิกเวสีมายะอัฏฐปิตายะยังคามังวานิคมังวาอุปนิสตายวิหรติยาคาเมสสะวานิฆเมสสวานิฆเมาสีม า, า, ม า, า, า, ม า, มาอยังตัฏฐตมานะสังวาสาเอกุปสุสะา ความว่าเมื่อสีมาสงไม่ได้สมมุติไม่ได้ตั้งไว้พิกตุเข้าอาศัยซึ่งบ้านนิคมอันใดอยู่ขามัสีมาแดนแห่งบ้านนิคมสีมาแดนแห่งนิคมอันใดในแดนแห่งบ้านและนิคมนั้นอันนี้แหลเป็นสีมามีสังวาสเสมอกันมีอุโบสถอันเดียวนี่ก็เป็นขามัสีมาสามารถที่จะทําสังฆกรรมได้นะแต่ว่าเวลาทําสังฆกรรมนี้พิกตุที่อยู่ในหมู่บ้านในนิคมนั้นทั้งหมดต้องมาเข้าหัตถบาทหมดเลย ถ้าไม่มาเข้าหัตถบารกรรมเสียนะเพราะนั่นตาหมหูบ้านใหญ่อย่างทคมใหญ่สมัยก่อนนี่เขามีฤทธิ์รู้นะว่าใครมาเข้าหัตถบารหรือยังไม่มาแต่มาสมัยนี้ไม่รู้ว่าจะทํายังไงเพราะฉะนั้นก็ไม่ปลอดภัยกรรมเสียได้ง่ายๆก็เลยผูกพัตตสีมาทําสังฆกรรมในพัตตสีมาปลอดภัยกว่าในป่าไม่มีบ้านในภายในเจ็ดอัพพันดรโดยก็ชื่อว่าสัตตพันตรสีมา โดยบาลีว่าอะคามมเกพิขเวอารัเนเยสัมมตาสตัดพันตาราอายาังตถาสมานัสังวาธาเอกุโปตธาดังนี้เมื่อยืนอยู่กลางเจ็ดอัพพันดอนในทิศทั้งปวงโดยแทงตลอดไปเป็นสิบสี่อัพพันดอนอัพพันดอนหนึ่งหนึ่งก็ประมาณยี่สิบแปดตอกสิบี่เมตรเพราะฉะนั้นเจ็ดอัพพันดอนกเก้าสิบแปดเมตร98้าสิบแดเมตรแต่ว่าทะแยงเป็นสิตอัพพันดนก็เท่าไหร่ ร้อยเก้าสิบร้อยเก้าสิบแปดเมตรสิบสี่เจ็ดเก้าสิบแปดเมตรเจ็ดอัปพันดรในเก้าสิบแปดเมตรเก้าแจกกับเก้าสิบแดก็เป็นร้อยเก้าสหกเกือบสองร้อยเมตรนะนะร้อยเก้าสิบหกเมตรโดยอดอนในใรอบที่สูงอยู่ตรงกลางเนี่ยนะเป็นเขตของสัตพันธุตะสีมาสีมาตาเจ็ดอัพันดรนนดนในแม่น้ำเป็นต้น ในภายในกําหนดด้วยศาสตร์น้ําก็คือวักน้ําศาสตร์เนี่ยชื่อว่าอุดกุกะเขปะสีมาโดยบาลีว่าสัป บ, บาภิขเวนนาดีอาสีมาสัปโ บ, บสมุนโดอาสีโมสัปโ บ, บชาตัดสตโดอาสีโมนาดิยาวาพิคเวสมุนเดว่าชาตัดเรวายังมัชชิมัสสะปุริสะสะสมันตาอุดกุกเขปา ยังตัฏฐะสมาณังวาซาเอกุปทาความว่าแม่น้ำทั้งปวงใช่ถีมาคือไม่ใช่ถีมาทั้งหมดทะเลทั้งปวงก็ไม่ใช่สีมาทั้งหมดสะเกิดเองทั้งปวงก็ไม่ใช่สีมาทั้งหมดคือว่าไม่เป็นดังาคาเมตแม้สมมติสีมาก็ไม่เป็นอันสมมติด้วยที่อันใดในแม่น้ำเป็นเองใช่แม่น้ำขุดหรือว่าในทะเลหรือในสะเกิดเองใช่สระคนขุด กำหนดด้วยศาสตร์น้ําแห่งมัชชิมบุรุษโดยรอบในที่นั้นอันนี้แหลเป็นสีมามีจังหวะเสมือกันมีอุโบสถอันเดียวกันดังนีนะ้ก็คือลงไปอยู่ในแม่น้ําอ่ะติดอยู่ในเืออยู่ในแพรหรือว่านุ่งผ้าอาจต้องฝนก็คืยืนอยู่ในแม่น้ําก็แล้วแต่พระวิสูปไปอยู่ในหัตถบาลแล้ววัดน้ําไปโดยรอบศาสตร์น้ําไปโดยรอบเนี่ยนะบริเวณที่ศาสตร์น้ําไปโดยรอบ น, ะบนั้นแหนะนะเป็นถีมาสามารถที่จะทําสังกกรรมได้ ในฤดูฝนสี่เดือนฝนเจ็ดวันตกทุกึงเดือนในแม่น้ำใดในสะเกิดเองใดน้ำไม่ขาดนางพิกุนีนุ่งเป็นปริมณฑลไม่ได้ยกชายสะบงลงข้ามพอชายสะบงชุ่มสักนิ้วหนึ่งหรือว่าสองนิ้วจะเป็นท่าหรือไม่ใช่ท่าไปแล้วแต่ถ้าเดินท่าไปนี่สะบงเปียกชุ่มในที่หนึ่งนิ้วสองนิ้วเนี่ยอันนี้แลชื่อว่าแม่น้ำชื่อว่าสระเกิดเอง ในแม่น้ำหรือว่าในชาติศนั้นในฤดูฝนดีสี่เดือนและในทะเลเวลาขึ้นปกติท่วมที่เท่าใดแต่ที่เท่านั้นลงไปเป็นกับปิยะภูมิสามารถที่จะทำสังกกรรมในที่นั้นได้ฝนไม่ดีฤดูแรงแม้แห้งไปแม่น้ำแห้งไปที่เท่านั้นก็คงเป็นกับปิยภูมิอยู่อย่างเดิมนั่นเองนั้นบริเวณที่น้าท่วมถึงตลอดสี่เดือนที่ฝนดี บริเวณนั้นแหะเป็นกัพริยาภูมิสามารถที่จะทำสังฆกรรมได้ถ้าเขาขุดเป็นบอ่อลงไปหรือว่าหวานพืชลงที่นั้นกลายเป็นคามาเคลือบตลยทําสังฆกรรมไม่ได้นะถ้าทําแล้วก็ต้องไปดูว่ามีพระปุจจุอยู่ในหมู่บ้านหรือเปล่าถ้ามีก็ทาเสียอุทกุกเขตศีมาเนี่ยไม่ไปนอกกัพริยาภูมิออกไปอยู่แต่ภายในถ้าเป็นศีมาน้ำเนี่ยนะไม่ออกไปนอกกัพริยาภูมิหรอก อยู่ภายในเท่านั้นบริเวณที่วักน้ําศาสตร์ไปอภันตรศีมาและอุทกุกเขปักศีมาสองอย่างนี้กําหนดแต่โอกาสทพิจุยืนออกไปก็คือตั้งแต่ทพิจุยืนออกไปเนี่ยบริเวณถ้าเป็นศีมาวักน้ําศาสตร์ก็ชวนวักน้ําศาสตร์พิจุขยายเท่าไรก็พิจุรูปท้ายเนี่ยวักน้ากําศาสตร์ออกไปก็ขยายไปตามกับพจุอภัพนตรศีมาศีมาป่าก็เหมือนกันนะพิจุขยายออกไปเท่าไรก็ กำหนดเขตออกไปจากพิจุตูปสุดท้ายนั่นแหละชั่วเจ็ดอัพันดรถ้าสงสองพวกจัดทําสังฆกรรมให้กําหนดเจ็ดอัพันดรและชั่วศาสน้ําอื่นอีกลงในระหว่างเป็นอุปจาระก็ามาขั้นต้งอยู่ในป่าสงสองกลุ่มจะทําก็ต้องเว้นไปเจ็ดอัพันดรในสีมาน้ําก็เหมือนกันก็ต้องเว้นชั่ววักน้านําศาสออกไปเป็นอุปจาระ ทิตูอยู่ในภายในที่กําหนดมลหัตถบาทันเสียปรดีและภายนอกที่กําหนดยืนไม่ไว้ระหว่างเป็นอุปจาระประดีให้กรรมกําเริบได้ถ้ารหัตถบาทอยู่ในสีมาบ่าหรือว่าสีมาในน้ําเนี่ยนะรหัตถบาทันก็กรรมกำเริบหรือว่าถ้าทํากรรมสองกลมแล้วไม่เว้นอุปจาระไว้กรรมัวกําเริบได้เหมือนกันกิ่งไม้ในมหาสีมายื่นเข้าไปจดพื้นในขันสีมา หรือว่ากิ่งไม้ในขันธสีมายืเข้าไปจอดพื้นในมหาสีมามีอยู่เมื่อจะทำสังกกรรมพึงชำระเสียก่อนในนั้นสีมามข้ามเกี่ยวกันก็ทำให้กรรมเสียได้จะทำสังกกรรมในอุทะกุกเขปะปักศีมาพึงลงทำในน้าหรือว่าทำในร้านในแพรในเรือซึ่งปักลงในน้านั้นยาปักเสาปักหลัก บ, บนตลิ่งและผูกกับกิ่งไม้ที่งอกขึ้นบนตลิ่ง และอย่าผูกในต้นไม้ซึ่งขึ้นในน้ำและกิ่งจดกับตะลิง่งจะคาบเกี่ยวกันนะและจดกับกิ่งไม้บนตลิง่งด้วยว่าเมื่อเป็นเช่นนี้ชื่อว่าเกี่ยวกันไปก็คือจะคาบเกี่ยวสีมาก็สามารถคาบเกี่ยวได้อันหนึ่งอย่าลอยเรือหรือว่าแพทําสังกรรมด้วยว่ายัดติจะไปอยู่ในที่แห่งหนึ่งอนุสาวนาจะไปอยู่ในที่แห่งหนึ่งอันหนึ่งสมมติมาทับฝั่งแม่น้ํานี้เป็นทุกกฎ ในฝั่งแม่น้ําใดมีเรือเป็นนิดมีสะพานเป็นนิดจะสมุดสีมาทับฝั่งแม่น้ํานั้นควรอยู่สีมาคร่อมแม่น้ำเนี่ยนะนาทีปาราษีมาถ้ามีเรือมีสะพานอยู่บริเวณนั้นก็สมมุตดสีมาคล่อมได้ถ้าไม่มีนี่ต้องอบัตทุกฎอันหนึ่งตรวจปาฏิโมกตามบริเวณไม่เป็นที่สังเกตต้องอบัตทุกฎหมายถึงว่าไม่ได้กาหนดบริเวณหรือไม่ได้กาหนดวิหารที่ที่ตรวจปฏิโมกไปประจำเนี่ยต้องอบัตทุกฏ ตรวจไรื่อไม่รู้เขาจะไปตัวที่ไหนไปถูกก็ไม่รู้ว่ามีอบัตลทุกกดทรงอนุ ญ, ญาตให้สมมุติโรงอุโบสถไว้แห่งหนึ่งด้วยยติทุติยกรรมวาจาในอาวาสอันหนึ่งมีสีมาอันเดียวกันสมมุติโรงโมตดสองแห่งเป็นทุกกดทรงอนุ ญ, ญาตให้ถอนใจแห่งหนึ่งเพื่อฉันก็อมีโรงอโบสถได้โรงเดียวเท่านั้นในสีมาหนึ่งสีมาคาถาก็จบต่อไปก็จะเป็นเรื่องของ อธิกรณ์สมถะเจ็ดอย่างเครื่องมือสําหรับรนักอภิกรจกแสดงในอธิกรณ์สมถะเจ็ดโดยย่อสามูขาวินัยอย่างหนึง่งสติวินัยอย่างหนึง่งอมุรห่าวินัยอย่างหนึง่งปติญญาตการณะอย่างหนึง่งเยปุยยติกาอย่างหนึง่งแล้วก็ปัดสะปาปิยติกาตินะวัฏฐานะอันสุดท้ายอย่างที่เจ็ดเจดนี้ชื่อว่าอธิกรณ์สมถะ กระเป็นธรรมระงับอธิกรณ์สี่อธิกรณ์ก็หมายถึงเรื่องที่เกิดขึ้นที่สุวิวาทะรากการด้วยเททพกระวัตถุสิบแปดหมายถึงเรื่องที่ทำความแตกร้าวนี่นะเป็นต้นว่านี่ธรรมนี่ใช่ธรรมนี่วินัยนี่ไม่ใช่วินัยดังนี้ชื่อว่าวิวาธาธิกรณ์ทะเลวิวาททุกตีการนี้ไม่ชื่อว่าวิวาธาธิกรณ์เป็นการวิว า, กาทกันเฉย โจ์ท่วงกันด้วยศีลวิบัติหรือทิฏิวิบัติหรืออาจาราวิบัติหรือว่าอาชีววิบัติอันใดอันหนึง่งชื่อว่าอนุวาธาธิกร อ, อาบัตขันเจ็ดหมายถึงกองอาบัตเจอย่างตั้งแต่ปาราชีจนทั้งถึงทุพราตริชื่อว่าอาปัตตาธิกรสามกกรรมสี่อย่างก็คืออัปโลกนกรรมอย่างหนึง่งยัติกรรมอย่างหนึง่งยติทุติยกรรมอย่างหนึ่งยติเจตุตักรรมอย่างหนึงรรงน่งชื่อว่า ก, กิจจาธิกร สี่อย่างนี้ชื่อว่าอาธิกรเพราะจักถึงระนับด้วยสมถะเจ็ดต้องระนับด้วยสมถะเจ็ดอย่างสมถะเจ็ดนั้นก็เลยเรียกว่าอาธิการณสมถะเครื่องมือระนับอธิกรวิวาธาธิกรระงับด้วยสมถะสองอย่างก็คือสามุขาวินัยอย่างหนึ่งกับเยกุยัสติกาอย่างหนึ่งสามุขาวินัยนี้ก็หมายถึงว่าระเบียบอันใหถึงความซ้อมหน้าเยคุยัสติกาก็หมายถึงว่าตัดสินเอาตามคนมากเป็นประมาณ เมื่อจะระงับด้วยสำมุขาวินัยอย่างเดียวนั้นบิว่วาเกิดขึ้นในวิหารใดสงตัดสินไปในวิหารนั้นหรือว่าพิกูตทั้งหลายไปเพื่อจะระงับในวิหารอื่นแณตัดสินระงับเสียในกลางทางก็ดีหรือพิกจุไปมอบให้แก่สงในวิหารใดสงในวิหารนั้นตัดสินระงับไปเสียหรือสงในวิหารนั้นไม่อาจระงับได้สมมุติพิกจูขึ้นด้วยอุปาฮิกาธรรมวาจาให้เป็นบุคคลผู้ตัดสิน บุคคลผู้ได้สมมุตินั้นตัดสินระงับไปในวิหารนั้นเองก็ดีก็แลวิวาทนั้นเมื่อระงับไปดังนี้ความพร้อมหน้าสงความพร้อมหน้าธรรมความพร้อมหน้าวินยัยพร้อมหน้าบุคคลอันใดนี้แหละชื่อว่าสา ม, มุขหาวินยัยความที่การรกสงพร้อมหน้าการด้วยสังฆสามัคคีนี้ชื่อว่าพร้อมหน้าสง์ที่สุกัมาประชุมกันทาหลายกรรมพร้อมหน้าก็เรียกว่าพร้อมหน้าสง ความที่วัตถุจะพึงระงับนั้นเป็นของจริงชื่อว่าพร้อมหน้าธรรมคือเป็นเรื่องจริงวัตถุจะพึงระงับนั้นประการใดความที่วัตถุนัน้ น, น, น, นรพร้อมหน้ากันในประการนั้นแท้ชื่อว่าพร้อมหน้าวินาันผู้ใดวิวาทและวิวาท ด, ด้วยผู้ใดความที่คนทั้งสองซึ่งเป็นข้าศึกกันโดยอัดนั้นเป็นผู้พร้อมหน้ากันอยู่ชื่อว่าความพร้อมหน้าบุคคล แต่ในวิวาสซึ่งระ ง, งับไปด้วยอุปาฮิกากรรมวาจานั้นความพร้อมหน้าสงจ้อเสื่อมลดไปอย่างนี้แลมิวาธาธิกรชื่อว่าระ ง, งับไปแต่ด้วยสมนุขาวิันยอย่างเดียวพร้อมหน้าสงวัตุธรรมวิไนถ้าแลแม้ไม่ระ ง, งับไปดังนั้นไซท่าพิจุซึ่งสงสมมุติด้วยอุปาฮิกากรรมวาจามอบอธิกรนั้นให้แก่สงด้วยคาว่า ข้าพเจ้าทั้งหลายไม่อาจระนับดังนี้ต่อไปสงสมมติพิจูพร้อมด้วยองค์ห้าให้เป็นผู้แจกสลากแล้วให้พิจุนั้นแจกสลากโดยอาการสามก็คือซ่อนเปิดเผยเอาปากกระซิที่หูและในบริษัทซึ่งประชุมนั้นพิจูผู้เป็นธรรมวาทีได้ตลากแห่งธรรมวาทีมีมากเธอทั้งหลายนั้นกล่าวตัดสินอย่างไรอธิกรณระนับไปอย่างนั้นดังนี้ชื่อว่าระนับด้วยสมามภควิไนด้วย ด้วยเยปุยยติกาคือธรรมวัตทีมากกว่าด้วยถ้าธรรมวัตทีน้อยป่านี้ยังไม่แจกกระลาถ้ามีธรรมวัตทีมากถึงจะแจกกระลาในที่นี้สามุขาววินยัยมีในดังกล่าวแล้วแท้แต่ที่กระทัมเยปุยยติกาทำคือแจกกระลาหาธรรมวัตีได้มากนี้แหลชื่อว่าเยปุยยติกาวิวัฒนพิกรระณับด้วยสมถะสองดังกล่าวมานี้แหล ส่วนอนุวาตาธิกรย่อมระงับด้วยสมถะสี่อย่างก็คือสมุขาวินัยอย่างหนึ่งสติวินัยอย่างหนึ่งอมุระหาวินัยอย่างหนึ่งแล้วก็ปัตถะตาปิยะสิกาอย่างหนึ่งเมื่อจะระงับด้วยสมัมภขาวินัยอย่างเดียวผู้ใดโจดและโจดผู้ใดพระวินัยทรพึงฟังคําแห่งคนทั้งสองนั้นถ้าเห็นว่าไม่มีอาบัตสิ่งใดให้คนทั้งสองงดโทษกามเสียถ้าเห็นว่ามีอาบัตแล้วตัดสินว่าในข้อนั้นเป็นอาบัตชื่อนี้ อธิกร น, นั้นระงับไปชื่อว่าระงับไปด้วยสามุขาวินัยอย่างเดียวลักษณะแห่งสามุขาวินัยในที่นี้ก็มีในดังกล่าวแล้วแท้ก็แล้วิสูจผู้เป็นขีณาศกผู้อื่นโจโดด้วยศีลวิบัติไม่มีมูลมาขอสติวินัยประสงค์สงให้สติวินัยด้วยยติเจตุกรรมในการใดในการนั้นอนุวาธาธิกรเป็นอันระงับด้วยสามุขาวินัยด้วยแล้วก็สติวินัยด้วย แต่เมื่อทรงให้ส ต, ติวิไนแล้วผู้หนึ่งจะโจทย์ท่านนั้นอีกไม่ได้เลยโจทย์ไม่ขึ้นนะะโจทย์จะมีอวบัดด้วยแหละเพราะทรงทํากรรมแล้วให้ส ต, ติวิไนแล้วก็แนอพิสูจเป็นบ้ากระลึกอัชชาจฉริยะด้วยความเป็นบ้าพิกูุอื่นโจทย์ว่าท่านจงระลึกอวบัดเช่นนี้ดังนี้แม้เธอนั้นกล่าวว่ากรรมอันนี้ข้าพเจ้าเป็นบ้าอยู่ทําระลึกหาได้ไม่ดังนี้พิสูจอื่นก็ยังขืนโจทย์อยู่ก็ดี และเธอมาขออมูระหะวินัยเพื่อจำไม่ให้โจดได้อีกเพื่สงก็ให้อมูระหะวินัยด้วยยติจตุทกรรมวาจาแกเธอนั้นในการใดในการนั้นอนุวาธาที่ก่อนเป็นอันระงับด้วยส ม, มุขวินัยด้วยด้วยอมูรหะวินัยด้วยแนครั้นเมื่อสงให้อมูรหะวินัยแล้วผู้หนึ่งจะโจดเธอนั้นอีกต้น เ, เหตุนั้นไม่ขึ้นเลยโจดไม่ได้โจดต้องมีอบัตด้วยก้แร่ที่สูกระพฤติอัชฉาจารย์ประพฤติาาไม่ดี เสีู่อื่นโจรด้วยประราชิกหรือว่าด้วยข้อใกล้ต่อประราชิตก็ดีเธอพูดเอาคําอื่นมาปลดเปลื่อนเสียเป็นคนลามกนักพระหนาด้วยบาปพระสงฆ์สำคัญลงว่าถ้าผู้นี้จะมีมูลไม่ขาดแล้วไซสเธอจกปฏิบัติชอบจะได้โอสารณะการชักหาถมูวการเรียกขมูถ้าเธอมีมูลอันขาดแล้วไซส์อันนี้เองจะเป็นความชิพหายแห่งเธอนั้นพระสงฆ์สำคัญดังนี้แล้วก็กระทําตัดจ่าตาพิยติกาการรม ก็ลงโทษแต่ผู้มีบาปหนาเนี่ยนะแกเธอนั้นด้วยยติจะจตุกรรมวาจาในการใดในการนั้นอนุวาทาธิกรเป็นอันระนับด้วยสามุขาวินัยด้วยด้วยตัฏฐะตามปิยติกาด้วยอนุวาทาธิกรระงับด้วยสมัฏฐะตีอย่างดังกล่าวมานี่แลส่วนอปัตาธิกร น, นั้นย่อมระงับด้วยสมัฏะสามอย่างก็คือสัมุขาวินัยอย่างหนึ่งปฏิญญาตะกตระณะอย่างหนึ่งแล้วก็ตินนวัถารกะอย่างหนึ่ง อาปัตตาทีกร น, นั้นซึ่งจะระงรับด้วยสำมุขาวินัยอย่างเดียวไม่มีก็แลในการใดพิกูุแสดงละหุกาบัตในสำนักพิสูกรูปเดียวหรือว่าในถ้ำกลางสงและคณะในการนั้นอาปัตตาที่กรย่อมระงรับด้วยสำมุขาวินัยด้วยด้วยปฏิญญาตักรณะด้วยก็คือต้องทำตามรับแล้วก็ต้องมีผู้ที่มารักรู้ว่าหน่้นอยต่อพิกูกรูปหนึ่งก็มาเป็นผู้ที่รับแสดงอาบัตก็ต้องมีการพร้อมหน้าบุคคลพร้อมหน้าธรรมวินยัย ผู้ใดแสดงแล้วแสดงแก่ผู้ใดความที่คนทั้งสองนั้นพร้อมหน้ากันชื่อว่าพร้อมหน้าบุคคลในสังภูขาวินัยนั้นความพร้อมหน้านอกนั้นมีในดังกล่าวแล้วก็คือเรื่องจริงก็เป็นการพร้อมหน้าธรรมเป็นการแสดงอาบัตถุเป้าตาทวินัยก็เป็นการพร้อมหน้าวินยัยเท่าแสดงแก่สง์ก็เป็นความพร้อมหน้าสงในเวลาแสดงอาบัติแก่บุคคลและคณะความพร้อมหน้าสงก็เสื่อมลดไป ในการแสดงอาบัตินั้นความปฏติญญาว่าท้าพเจ้าต้องอาบัตชื่อนี้ก็ดีและรักว่าท้าพระเจ้าเห็นอาบัตอยู่ก็ดีอันใดผู้รักกระทําตามปฏติญญานั้นด้วยกล่าวว่าท่านพึงสํารวมต่อไปนี้แหลชื่อว่าปฏิญญาตการณะทําตามปฏิญญาการขอปริวาเป็นต้นแลให้ปริวาเป็นต้นตามปฏติญญาก็ชื่อว่าปาิญญาตการณะในสังขาธิเสษก็แลพิจูตตั้งหลายสองจำพวกทําการทะเลาะกัน ได้ประพฤติอาัาจาริยไม่เป็นกรรมแห่งสมณะมากก็คือไม่ใช่เป็นวิสัยของสมณะเลยครั้นละซึ่งทำความละอายเกิดขึ้นอีกและเธอเหล่านั้นคิดว่าถ้าเราทั้งหลายจัดยังกันและกันให้แสดงอาบัติเหล่านี้ไายอธิกรอนนั้นพึงเป็นไปด้วยความกล้าแห่งรา้ายกาดขึ้นเธอเห็นโทษในการยังกันและกันให้แสดงอาบัตดังนี้แล้วและพร้อมกันทําตินนวัถฐานกรรมก็คือกรรมเหมือนกับ ดังกลบไว้ด้วยยาไม่ต้องรื้อฟื้นคือสังฆ ก, กรรมอันหนึ่งทัดโทษนั้นไว้ดังยาปิดคูดในการใดในการนั้นอาปตาธิกรชื่อว่าระลับด้วยสา ม, มุขาวินัยด้วยด้วยตินนวัารราะด้วยด้วยว่าภิกตุทั้งหลายเท่าใดเข้าอยู่ในหัตถบาในขณะทำตินนวัทรกะต่งนั้นและเธอไม่ทำให้แจ้งซึ่งทิฏฐิว่ากรรมนั้นไม่ควรดังนี้ แม้เธอหลับอยู่ก็ดีอาบัตทั้งปวงแห่งเธอนั้นยกแต่อาบัตที่เป็นโทษหยาบคือสังกัดิเตและอาบัตที่เป็นขี้ปฏิสังยุตปรกอบด้วยกระดหัดเสียก็คืออาบัตที่เกี่ยวข้องกับกระถัดนอกนั้นออกได้ตกใจต้่นก็คือไม่ว่าจะเป็นการนอนหลับอยู่ในสีมานั้นพบก็สวดตินนะว่าฐานตรกดำอาบัตอื่นๆนี่ตกหมดโดยบัตเบาๆทั้งหลายยกเว้นอาบัตสังกัดทิเศกับอาบัตที่เกี่ยวข้องกับกระถัดอาบัตอื่นอยู่ยวนีจะตื่นจะหลับอยู่ว่าเป็นอัน ตกไปหมดเลยอาปัตาทิกรกระงรับด้วยสมถะสามดังกล่าวมานี้แลกิจใจทิกรนั้น่อมระงรับด้วยสมัมขาวินัยอย่างเดียวอธิกรสี่ย่อมระงรับด้วยสมถะเจ็ดตามสมควรด้วยประการดังนี้แลอธิกรณ์สมถกะกถาจบต่อไปก็เป็นเรื่องของคารวัตอคาระว ะ, ะ, วะจะแสดงในคารวาคาระวะ ความไม่เคารพและความเคารพความไม่เคารพนั้นมีหกก็คืออย่างหนึ่งไม่เคารพในพระพุทธเจ้าเรียกว่าสัตถ์อัคารวตาอย่างที่สองไม่เคารพในพระธรรมธรรมะอัคารวตาอย่าที่สาไม่เคารพในพระสงฆ์สังฆะอัคารวตาอย่างที่สี่ไม่เคารพในศิกขาสิกขาอคารวตาอย่างที่ห้าไม่เคารพในอัปปมาทพัรธ์อัปปมาทอัคคารวตา อย่างที่หกก็ไม่เคารพในปฏิสันถานการต้ตอนรับปฏิสันฐานอาคารวตาเป็นหกผู้ใดเมื่อพระพุทธเจ้ายัางทรงพระชนอยู่ไม่ไปตู่ที่อุปทาเมื่อพระองค์ปรินิพานแล้วไม่ไปตู่ที่เจดีหรือว่าต้นโพเพื่ออุปทาและไม่ไว่ายซึ่งเจดีถือซึ่งต้นโพและกั้นร่มสวมรองเท้าเที่ยวเดินไปในลานเจดีก็ดี เพิ่งรู้เถิดว่าความเคารพในพระพุทธเจ้าแห่งผู้นั้นไม่มีก็คือขาดความเคารพในพระพุทธเจ้าเป็นความไม่เค า, ารพอคตวตาในพระพุทธเจ้าก็แล้วผู้ใดเป็นผู้อาจอยู่แท้และไม่ไปสู่ที่ฟังธรรมไม่ว่าฐานก็คือไม่กล่าวสารพันยะไม่กล่าวธรรมสถาและทําลายธรรมสนะไปก็ดีหรือปุ้งซ่านหรือไม่เอื้อเฟือนั่งอยู่ในโรงธรรมก็ดี ดังนี้ฟังธรรมอยู่กับฟุ้งซ่านคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้พึงรู้เถิดว่าความเคารพในพระธรรมแห่งผู้นั้นไม่มีผู้ใดไม่ตั้งไว้เฉพาะซึ่งการทําความยำเกรงในพระเถระและทิจตุนุมและทิจตุท่ามกลางก็ดีไม่ว่าจะเป็นเถระมัชชิมะหรือว่านวกกะและแสดงความเป็นคนขนองกายในที่ทั้งหลายเป็นต้นว่าในโรงอุโบสถและวิตต ก, กะมารกะก็คือที่ยืนคลุมผ้าจะไปบินบา เป็นโรงตรึกและไม่ไหวตามลําดับผู้เท่าดังนี้ถึงรู้เถิดว่าความเคารพในพระสงฆ์แห่งผู้นั้นไม่มีก็แล้วผู้ไม่สมาทานศึกษาเลยซึ่งสิกขาสามคือศีลสมาธิปัญญานี้เพิงรู้เถิดว่าเป็นผู้ไม่เคารพในสิกขาผู้ตั้งอยู่ในความประมาทอยู่ตราศจากสติแท้เป็นผู้ที่อยู่ปราศจากสติ ไม่ยังอัปมาธาลักษณะให้เจริญนี้ก็คือไม่ยอมเจริญสติพึงรู้เถิดว่าเป็นผู้ไม่เคารพในอัปมาทาธรรมผู้ไม่ทําเลยซึ่งปฏิสันฐานทั้งสองอย่างก็คืออามิ t h ปฏิสันฐานต้อนรับด้วยอามิ t h และธรรมปฏิสันฐานต้อนรับด้วยธรรมนี้แหลพึงรู้เถิดว่าเป็นผู้ไม่เคารพในปฏิสันฐานคามเคารพนั้นมีหกก็คือเคารพในพระพุทธเจ้าสัตถุคารวาตาอย่างที่หนึ่ง คารบในพระธรรมธรร ม, มาาร 2, รระคารวตาอย่างที่สองคารพในพระสงฆ์สังฆค า, ารวตาอย่างที่สามคารบในติกขาติกขาคารวตาอย่างที่สี่คารพในอัปปมาทธรรมอัปปมาทคารวตาอย่างที่ห้าคารพในปฏิสันฐานปฏิสันฐานะคารวตาอย่างที่หกเนื้อความในคารพหกนี้ก็พึงรู้โดยพิจารณาโดยปริยายแปลจากอัคารวะซึ่งกล่าวในพระสูตรว่า ความไม่เคารพเป็นไปเพื่อความเตื่มส่วนความเคารพนั้นก็เป็นไปเพื่อความเจริญแล้วนั้นเถิดถ้าเป็นความเคารพ ก, ก็เจริญเจริญไปตัวอริยมรรคทาให้บรรลุมรรคผลนิพพานได้คารวาคาระวกระกถาจบต่อไปก็จะเป็นเรื่องของอานิสงส์แห่งการกว่าข้อความในกถาซึ่งกล่าวมาในปรักพะกนั้นๆ แสดงข้อปฏิบัติชําระปัดกวาดสันดานแห่งผู้ปฏิบัติให้ผ่องแผ้วดังไม้กวาดปัดกวาดที่รกสำเร็จอานิสงห้าประการก็แลอานิสงแห่งการกวาดลานเจดีเป็นต้นท่านกล่าวไว้ในคำพีปริวาระดังนี้ว่าอานิสงแห่งการกวาดมีห้าอย่างก็คือสกัดจิตตังปภิจิตติจิตของตนเลื่อมใสผ่องแผ้วดังพร ะ, ะ, ะทัตทิสุ กว่าลานเจดียแล้วยืนแลรดูได้โอทาตัสสินแล้วต้องได้โอทาตกสสินสินที่ขาวไงั้นก็เป็นอากาศสักสินเจริญปัษนาสำเร็จผลทั้งสามประรากจิตตังประสิตติจิตผู้อื่นเลื่อมใสของแผ้วดังติดสัทธิสุขกว่าลาเจดียแล้วยืนถือกระเช้าอยู่ ถ, ถ้าติดสักษ้าตากเทตะลงจากเรือเห็นลานเจดีกวาดแล้วก็ยินดีก็เลยถามปริศนาตันก็เป็นการเจริญกุศลอย่างยิ่งข้อที่สามก็เทวตาอัตตมนาโหติเทวดายินดีชอบใจด้วยนำพิตรูปหนึ่งปาดลานเจดีและลานโพแล้วไปอาบน้ำเทวดาเลื่อมใสมายืนถือดอกไม้อยู่ข้อที่สีก็คือปาสาดิกะสังวัตตนิยังยังกัมมังอุปกิตัง ผู้กว่าชื่อว่าตัางสมกำรรมซึ่งเป็นไปทุผูกวาดเป็นผู้นำเลื่อมใสด้วยรูปในพบหน้าดังพระอภยะเถรรักปางก่อนเป็นเถระแก่ได้กว่าดลาเจดีบูรแทงอมัดผู้หนึ่งปางก่อนเป็นอุบาลศกได้เทอยากยืดที่เขากว่าดทั้งสองมาพบกันในภายหลังเป็นคนที่มีรูปหน้าเลื่อมใสข้อที่ห้าก็คือกรารยะสะเพดาปรังมรณาสุขติณสักทางโลกังอุ ป, ปัชติ ผู้กว่าเบื้องหน้าแต่ตายเพราะตายแตกย่อมเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์เป็นค ต, ติอันดีอย่างที่ห้านะอันนี้ก็เป็นไอสองห้าอย่างในการกวาดลานเจดียังมีไอนนสองแห่งการกว่าอีกห้าอย่างอีกหมวดหนึ่งก็คือจิตแห่งตนย่อมเลื่อมใสของแผ้วอันนี้เหมือนกันสมบทแรกข้อที่สองจิตแห่งผู้อื่นย่อมเลื่อมใสของแผ้วก็เหมือนกันข้อที่สาเทวดาชื่นชมยินดีก็เหมือนกันส่วนข้อที่สี่นะสัตวุสาสนานตะตังโหติ ผู้กวาดเป็นอันประทำคาสอนแห่งพระศาสดาด้วยว่าวัดคือการกวาดนี้พระพุทธเจ้าทั้งหลายได้ตรัสเสริญไว้แล้วเพราะเหตุ น, นั้นเมื่อกระทําการกว่าก็เป็นการทําคําสอนแห่งพระศาสดาทำตามคำสอนของพระพุทธเจ้าดังท่านกล่าวไว้ว่าภาษารีบุตรลืมไปไม่ได้กวาดไปเข้านิโรธสมบัติอยู่ในป่าหิมพานพระองค์ทรงทราบว่าลืมกวาดลืมทำวัดเสด็จไปสแสดงรอยพระบาทไว้ แต่นั้นไปพระเถระเจ้าแม้ยืนในที่ตัดลูกดุมท่านก็เอาเท้ากวาดอยากเยื่อเสก่อนแล้วจึงยืนนี้นี่ก็เป็นไอ้ส่์อีกข้อหนึ่งก็คือ ท, ท, า ท, ทําตามคำสอนของพระศาสดาอันนี้สองข้อที่ห้าก็คือปัจฉิมาเชตตาทิษฐานุคติอาปัจติประชุมชนซึ่งมีในภายหลังย่อมถึงซึ่งทิฏฐานุคติไปตา่างก็คือทําตามอย่างที่ตนเห็นอย่างหนึ่งก็เป็นการทําตามอย่างที่ดีเป็นรูปแบบเป็นแบบอย่างที่ดี สมัชนานิสังสัตตถาจบเทสนานิปัปังสัตตะมังจบข้อที่เจ็ชื่อว่าเทสนานิปภะคาถาทั้งปวงในข้อนั้นๆคาถาใดย่อคาถานั้นเมื่อประสงค์พิจารณพึงดูในบาลีวิพังคะขันธกะและปริวาระและอัตตคถาดีกาเถิดสัตตะพภะปุพปภสิกขาวันนา น, า น, านิทิตาก็จบเรื่องของ ปุพพิษาวันนานก็ยังมีตอนท้ายอีกนิดหนึง่งมีวินิจฉัยเรื่องของอธินาทานแลือว่าเรื่องปัละเรื่องของสุขตวิทธธัตชีต่างๆวันนี้ก็สมควรกัเวลาก็ขอให้ท่านทั้งหลายมีอุ ป, ปนิสัยแห่งการบรรลุมรรคผลด้วยการมีตัทธานในการที่จะเอเื้อเฟื้อศึกษาพระวินัยอันเป็นคนําสอนของสัมมาสามัมพุทธเจ้าซึ่งประกาศเรื่องของศีลอันเป็นปุพพภาเป็นเบื้องต้นเป็นฐาน ที่จะทําให้มีการอบรมสมาธิมีการอบรมปัญญาเพื่อกูลกับการนี้จะทำให้ปุสสรธรรมขั้นสูงเจริญยิ่งขึ้นศีลนี้มีอัศสองอย่างวันจริงแล้วก็เป็นอะไรศีลนี่อาาังศีลก็คือเป็นศีลละนะศีล ก, ก็มีความหมายศีลละนอาาะอัตถาก็คือศีลละนะหมายถึงสมาทานังกาอุปัาราางังสมาทานังก็หมายถึงรวบรวมไม้ให้กายวาจากเกลื่อนกลลจระ จ, ะจายไปเป็นทุจริต แล้วก็อันที่สองก็หมายถึงอุปาทานามก็หมายถึงว่าเป็นที่รองรับของคุณธรรมเบื้องสูงเพราะฉะนั้นถ้ากายวาจาไม่เกลือนกลนแล้วไม่มีทุจริตไม่เป็นเหตุที่ทําให้เกิดร้อ น, นใจก็เป็นที่รองรับของคุณธรรมก็คือสมาธิและปัญญาเพราะฉะนั้นก็ขอให้ทั้งศีลสมาธิปัญญาพร้อมๆในจิตใจของท่านทั้งหลายเพื่อเพื่อกูจรการบรรลุธรรมก็ขอให้ได้บรรลุอริยสัจธรรมในการไม่เนินช้านี้ด้วยเทิดสาธุสาธุสาธุ